สอนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจะขายัตนะมูลกนัยห้าสอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดจะเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนาของบุคคลใดจะเกิด จักขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักกุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้จะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาคานายัตนะของบุคคลใดจะเกิดจะขายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิศัชนาใช่อนุโลมปุชชาจะขายัตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปลายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิศัชนาใช่ ปฏิโรมปุตชารูปาย ต, ตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตชนะัชชาใช่อนุโลมปุตชาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันวาระเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองวาระอนุโลมปุตชาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิด ธัรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดจะขายายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จะขายายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขาายตนะก็จะเกิดจากขาายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัยห้อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดจะเกิด คานายตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจารภูมิแล้วปรินิพานรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนาก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนาของบุคคลใดจะเกิด มานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกนัจบรูปายตนะมูลกนัยหอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด และรูปายตนะก็จะเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมานายตนะมูลกนัยห้อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิด มานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่มานายตนะมูลก า, นายนจบุญลมโอกาสจักขายาตนะมูลกานา56อนุลมปุชชจฉาจักขายาตนะในภูมิใดจะเกิดละอนุลมุกขโลกาส57 อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉา จะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายัตนะก็จะเกิด ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักหายตนะของบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจะขายายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม screams? วิตัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายายตนะก็จะเกิด อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่จะขายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายัตนะก็จะเกิดอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจะขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัตชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายตนะก็จะเกิด จะขายัตนาโมลกนาอจบคานายัตนาโมลกนาอิหอนุโรมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาะใช่ปฏิโลมปุจชาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาะบุคคลผู้บัตยู่ในรู ป, ปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกนัจบรูปายตนะมูลกนัยหอนุโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จะเกิด ปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัตอยู่ในอรู ป, ปาวจรภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิ มนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายาตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉารูปายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิตชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบ มานายตนะมูลกนัย60อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมานายตนะก็จะเกิดมนายตนะมูลกายนัยจบปัจจนีกับบุคคล จักขายัตนาโมลกนัยหกอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉา จักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่จักหายาตนะม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานคานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักหายาตนะก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักหายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปลายาตนะของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดจักอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพาน จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคลจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะใช่ จะขายัตนามูลกกายนิจจบคานายัตนามูลกกายนิหอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิชนะัชชาบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปานปนาน า, นายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แตรูปายตนะมิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตตชนาใช่ อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาะบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภรวิกรบุคคล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 รูปา ย, า, กก า, ยายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะและธรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลเหล่าใด จ, จากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพวิกะบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด และธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่รูปายตนะมูลกนัจบมนายตนะมูลกนัยหกนย 64. อนุโลมปุจฉา มานายตระัของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตระนของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารณาใช่ปฏิโลมปุตรฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตระของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาใช่มนายตระนมูลกไยนิจบปัจจรีกโอกาสจกขายตระนมูลกไยนิ๖ อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกบุคลโอกาสจักขายัตนะมูลกไนหกสิอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจะขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขาดยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จกขาดยตนะไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ คาณาญตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักหายาตนาก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักหายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิทัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอาศันยศตตภูมิจักหายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่รูปายะตะนะไม่ใช่จกไม่เกิดปัจชิมภวิกบุคคลในปัญจโวโการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิจกขายาตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายะตะนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายะตะนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด จักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปประภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายาตนะไม่ใช่จักไม่เกิด ปชิมพระวิกรบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจักขายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมานายาตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามานายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจชนะนาใช่อนุโลมปุจฉา จะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทำมายตนะไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพะวิกบุคคลจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขายตนะมูลกนในจบคานายตนะมูลกันในหกอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะมิใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพระวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัตยู่ในอรูปภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในปูมนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิด มานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอัรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มาน า, า, ต า, มายตนะมิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด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 วิตัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอะรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่คานายตนามูลกายนิจรูปายตนามูลกายนิจอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมะนายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉา มานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้บัตยู่ในอาศัญยัสตภูมมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพวิกรบุคคล มนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉารูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้บัตยู่ในอรูปภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด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 มานายตนะมูลกายนัย69อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจิชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จกไม่เกิด